ผู้เบิกบานขึ้นมนุษย์เรานี่เปลียบไปแล้วก็มนกับดอกบัวนะมีทั้งดอกบัวที่อยู่ในน้ำดอกบัวที่อยู่ปริมน้ำแล้วก็ดอกบัวที่อยู่พ้นน้าและที่พ้นน้าแล้วนี้ก็ยังมีดอกบัวที่บานออกมาแจ่มแจ้งเราพิจารณาดอกบัวในสระดอกบัวในสระนี่เรียกว่าเป็น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 การได้รับสารเสริญและการถูกนินทาแล้วก็สุขทุกข์อย่างสามัญอย่างโลกโลกนี่แหละแล้วคนสนใจก็ถูกโลกกระทากระทําเอาเวลาได้ยศก็ดีใจเวลาเสื่อมยศก็เสียใจเวลาได้ทรัพย์ก็ปลื้มจะลืมตัวเวลาเสียทรัพย์ก็ตีอกชกหัวจนจนเรียกว่าลืมตัวเหมือนกัน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 โดยเฉพาะอย่างประเทศจีนนี่เอามาฝึกกันตั้งแต่3าขวบสขวบเอามาดัดเอามาดัดมือดัดขาดัดตัวฝึกกันตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงเย็นนะเรานักปฏิบัติธรรมยังไม่ได้ฝึกกันขนาดนั้นก็ฝึกไปทำไมฝึกเพื่อจะได้ไปส่งเข้าโอลิมปิกกีฬาโอลิมปิกนะอย่างสองปีหน้านี้จีนจะเป็นเจ้าภาพก็เลยฝึกกันได้เข้าโอลิมปิกทาไมก็เพื่อจะได้เหรียญทอง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 แต่เรื่องธรรมะนี่ไม่ค่อยทุ่มเทกันเท่าไหร่ในสิ่งที่มีคุณค่ามีสารลากกวานนั้นไม่เอาคนเราก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะโลกธรรมแต่ชอบพูดเรานะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเปลืยกส ม, มุติก่ก็ดอกบัวที่อยู่ในน้ำแต่ว่าก็เจริญเติบโตพ้นน้ำขึ้นมาแล้วก็เบ่งบานนี่เป็นธรรมชาติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ดอกบัวนี่เกิดจากโคลนตมนะแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามโคนกับปลายนี่ต่างกันเยอะเลยโคนนี่อยู่กับโคลนโปนนี่อยู่กับโคลนแต่ว่าปลายนี่เป็นดอกบัวที่สว่างงดงามหมดจดใครเห็นก็ชื่นชมที่ชาวพุทธต้องเป็นอย่างนี้คือเราเกิดมาท่ามกลางความทุกข์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 ไม่เหมือนกับผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานคือได้ยินอะไรก็ตามได้เห็นอะไรก็ตามก็สักแต่ว่ารู้ตากระทบลูกหูได้ยินเสียงรู้เห็นได้ยินแล้วก็สักแต่ว่าเห็นคือปล่อยก็เหมือนกับหยดน้ำลงบนใบบวัวไม่ติดมันก็ไหลออกไปไหลลงน้ำไหลลงสระไปไม่ติดไม่ยอมหลวงพ่อเทียมบาทีก็เปลี่ยนมันก็ว่าเอาดินทรายเนี่ยกว้างไปที่ข้างฝามันก็ไม่ติด แต่คนธรรมดานี่เปี่ยนเหมือนกับเอาดินโคลนดินเหนียวคว่างไปที่ข้างฝามันก็ติดคือเวลาเกิดผัสสาขึ้นมามันติดไปที่ใจเลยเก็บเอาไปปรุงแต่งต่อไปเนี่ยนี่คือสภาพจิตของคนที่ยังไม่ตื่นด้วยธรรมะแต่ถ้าตื่นด้วยธรรมะแล้วมันหลุดเลยมันไม่ติดข้างฝาน้ำนี่ก็ไม่ติดใบบัว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 ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบาลไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของชาวพุทุกคนรวมทั้งคารุษฮัตคาวาสและถ้ามีละใจก็จะเป็นสุขมีความพัดภาคสูญเสียยังไงก็รักษาใจไปปกติได้ถ้าเป็นชาวนาก็ทําได้เป็นชาวไร่ก็ทําได้เป็นคนสวนก็ทําได้อย่างในชาดกมีครอบครัวหนึ่งมีพ่อมีแม่มี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 ก็บอกว่าเมื่อตอนที่เขาเกิดเราก็ไม่ได้เชิญเขามาเวลาเขาไปก็ก็ไม่ได้ขออนุญาตเราเอายังไงเขาก็ไปอย่างนั้นเราก็เลยไม่เสียใจเขาตายไปแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราคล่ำควรเสียใจเขาแค่ไหนก็ไม่รู้จะร้องไห้คล่ำควรไปทำไมลูกสาวก็บอกว่าร้องไห้ไปร่างกายก็ผายผอม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 ไม่ได้ร้องไห้คล่ำครวญแล้วคนใช้แหละคนใช้นี่เขาก็ฉลาดเป็นกันนะเขาบอกว่าหม้อนน้ำที่แตกไปแล้วเนี่ยมันจะเอามาประสานติดกันดังเดิมก็ไม่ได้การที่จะร้องไห้ถึงคนตายร้องเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะร้องไห้ไปทาไมนี่เป็นครอบครัวชาวนาธรรมดาแท้ๆแต่ว่ามีปัญญาเห็นธรรมะ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 อย่างนี้นี่มันเป็นประโยชน์ไหมจําเป็นไหมสําหรับคาราวาสําสหรับคฤหาดก็จําเป็นนะมันมีค่ายิ่งกว่าการมีทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมพะมีทรัพย์สินเงินทองมันก็หนีไม่พ้นความพลัดพรา ก, กสูญเสียต้องคอยลวังหาคนมาเฝ้าเพื่อไม่ให้ใครมาขาโมยมีทองเท่าหนวดกุ้งสะดุ้งทั้งคืนอย่างที่เขาว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งแค่นั้นแหละสะดุ้งทั้งคืนเละกลัวคนขโมย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 าตายไปแล้วเสียใจทำไมแต่ว่าตัวเองทำใจไม่ได้อย่างมีพระราชาเนี่เสียลูกไปร้องไห้คร่ำครวญจนกระทั่งไม่เป็นอันว่าราชการเสนาบดีเยนาบดีก็ไม่รู้จะทำยังไงวันหนึ่งก็ทำเป็นร้องไห้เศร้าโศกเสียใจจนกระทั่งรู้ไปถึงพระราชา พระราชาก็สงสัยว่าเป็นอะไรเออถึงร้องให้เสียใจเจนนันบดีก็บอกว่าอยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อยากจะได้แต่ว่าร้องเท่าไหร่มันยังไงก็ไม่ได้พระราชาได้หญินก็หวัวเราะบอกว่าเจ้าโง่เอ้ยนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เอามาได้ยังไงร้องเท่าไหรมก็ไม่ได้มาหรอกเจนนันบดีก็เลยได้ทีก็เลยบอกว่า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 ที่กำลังจะบาลหรือบานอยู่แล้วก็ยิ่งดีเรื่องเอาเองก็แล้วกันเราอยากจะเป็นบัวประเภทไหน